ขั่ขนนาในขั้นเริ่มแรกคือพระพุทธเจ้าทรงประกาศเองและสาวกท่านช่วยพุทธภาระของพระพุทธเจ้าให้บาบางลงโดยลำดับในครั้งนั้นไม่ค่อยจะว้างขวางคือมีแต่เนื้อเนื้อข่้นต่อมานานเข้านานเข้าไป เนื้อก็ไม่ค่อยปรากฏมีแต่น้ำน้ำําเลกลายเป็นมีแต่เปลือกมีแต่กระพี้ไปคือมีแต่พิธีกองไปที่ไหนมีแต่พิธีศาสนาจริงๆมองไม่ค่อยเห็นมีแต่พิธีทั้งนั้นเต็มไปหมดทีนี้พูดที่จะยึด เ, เป็นหลักเป็นเกณฑ์กับศาสนาจริงๆก็เลยยึดไม่ได้ไม่ทราบว่าอะไรเป็นศาสนาเพราะการแสดงออกใครก็ ผู้ที่ยังไม่เข้าใจก็เข้าใจว่าจะเป็นเรื่องศาสนาเท่านั้นเี็ศาสนาเลยทําให้พิธีีตองนี่เลยทําให้คนดุ้งไม่อาจจะเข้าถึงศาสนาได้อย่างแท้จริงมีเป็นปัญหาอันหนึ่งที่เวลานี้มีมากมายกลายฟองและเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นด้วยไม่ใช่ธรรมดากลายเป็นหลักเกณฑ์ขึ้นมาส่วนที่หลักเกณฑ์จริงก็ค้ากับค่อยเสื่อมค่อยหายไปโดยลําดับ ถ้าหากไม่ได้มีการปฏิบัติเข้าไปเกี่ยวข้องหรือจะพูดแบบโลกอะเข้าไปเป็นคู่แข่งกันถึงจะทราบว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรแท้อะไรปลอมอะไรเป็นเปลือกอะไรเป็นกระพีอะไรเป็นแก่นหากไม่มีการปฏิบัติ เกี่ยวข้องไปด้วยแล้วอย่างไรเรื่องเปลือกเรื่องกับพีนี่จะได้ถูกเสจสันเข้าไปเป็นแก่นเป็นหลักเป็นความกิงของศาสนาทั้งๆที่ไม่ใช่ความจริงนี่เป็นเรื่องที่น่ามิจฉุกคิดมากศาสนาแท้ๆท่านไม่มีอะไรมากมายกายกองนอกจากสิ่งที่จำเป็นทาลงไปแล้วเกิดประโยชน์เท่านั้น เป็นศีลอย่างนี้รับศีลก็ต้องยุ่งไปหมดมาไม่ทํารับศีลก็เสียใจนักวางอะไรอะไรก็ต้องรับศีลรับศีลอยู่ตลอดเวลาแล้วการรัสสกษาศีลไม่ทราบรักษาอย่างไงกันนี่อันสําคัญแต่รับวันยั่งค่ํามีงานที่ไหนพิธีที่ไหนอ๋ออยู่แล้วอันนี้กองอทัพเทวกัน อา้าวมขึ้นนะก่อนฮึบนี่ว่าไงรับใช้ขันรับสินก็มีเจต น, นาอยู่ภายในใจเป็นผู้ชี้ขาดหรือการรับรองในความเป็นสีมั่งตนก็มีเท่านั้นถ้าเป็นภานวาทั่ทั่วไป คือศีลทั่วไปเป็นศีลห้าศีลแปดอย่างนี้ศีลที่เป็นเพศอันหนึ่งเพื่อประกาศเพศก็ต้องมีเรื่องให้ประกาศเป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งขึ้นมาตามหลักข้อนีน้นเป็นศีลเนรศีลพระ่ยแต่สุดท้ายก็เจตนาก็อันเดียวกันไม่ได้มากมายกายคองอะไรรมพิธีก็อา้าถวายทานก็ฟ้ากันจนกระทั่งหมดคำพีบางที นั่งฟังไปจนจะเหงานอนจะนอนหลับถวายทานไม่ทราบว่าถวายอะไรก็แล้ยุ่งไปหมดไล่มาโม้โลกทานมาถวายทานดีไม่ดีอยากจะจะอวดภูมิตัวเองด้วยว่าได้เรียนมามากเลยรู้มากคนอื่นเขาสะจันใช่ไหมไอภูมิน้ำลายนั่นนี่อย่างนี้เป็นต้นการเมือ่อแล้แล้ว ผ่านการปฏิบัติแล้วเราจะเห็นว่าอะไรมันทําให้เสียเว ล, เวลาอะไรมันจริงอะไรมันปลอมเพื่ออะไรมันยืดเยื้อะ่อยจะเข้าถึงตัวจริงเนี่ยโอ้โหเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้ไม่ทราบทําเพื่ออาไอายนีพนั้นในวงกรรมฐานท่านถึงไม่ค่อยมีเรื่องพิธีดีตองอะไรอยากจะพูดว่าไม่มีแต่ว่าไม่ค่อยมีวางมันพอเหมาะ บางทีก็ต้องอารมณ์ผ่อนผันทั้งทั้งที่ก็ทราบอยู่แล้วมันก็มีเพื่อจิตใจผลถ้าเ ด, เดินไปตามนั้นอ้าจิจใจนี้การจะเป็นประโยชน์มันก็เป็นโทษไปรเสียหพอผ่อนผันระยะก็ผ่อนไปบ้างในวาระต่อไปก็เตือนกันค่อยบอกกันให้รู้ลงรู้ลาวอ้าวันนี้เหนื <laughs> ่ ยือไม่เท็นเรื่องนี้หรือเท็มบางไงสองมนสองหมุนนหมความเอาจิงเอาจังเอาหลักออกเจนของพระพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกตั้งกต่เริ่มข้อบวชเป็นเริ่มความจริงจังขึ้นในขณะบวชแต่ก่อนเอหิพิขุประสัมปท า, าท่านจะเป็นพิคุมาเถอ ทำลาลาทาพกพกล่าวชอบแล้วจงมาพุธภูมาจันเพื่อความที่สุดแห่งทุกเถรนี่วาระแรกต่อมากระตุ้นนิมประสิมธิ์ประธาถึงศรนะสามคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สําเร็จเป็นพระขึ้นมาถึงวาระสี่นี้ก็ถึงวาระที่สามนี่ก็ยกให้สงฆ์เป็นใหญ่บวชให้สําเร็จในสงฆ์แล้ว ตอนนี้เป็นท่านประกาศทางลุกขมูลทีนีเป็นลูกขมูลเลเซียนาสนังแล้วก็ให้ประพฤติพรหมจรรย์เพว่ความทินทุกโดยชอบเธออททางที่ตะกอนก็สอนให้อยู่ลูกขมูลล่วมม้าอยู่แล้วแต่ไม่ได้ขึ้นเป็นกฎเป็นเกณฑ์ในการบวช พอต่อมาวาระที่สามนี่ขึ้นเป็นกฎเกณฑ์เลยคุณลกโมูลเสนาธนางังอุปชายะไม่สอนอย่างนี้ไม่ได้ผิดต้องสอนให้ถูกต้องตามนี้อุปชาใดก็ตามแม้เจ้าของจะไม่ชอบขนาดไหนการบวชคุณลุคนมูลท่านภายหลังก็ต้องบวชแบบนี้นมีลกโมูลเสนาธนังขึ้นเลยไม่นิยมมาเป็นนิกายไหนเพราะคําว่านิกายเป็นชื่ออันหนึ่งลําใหญ่ก็ คือการบวชนั่นเองท่านเอาจริงเอาจังสอนแล้วไล่เขาป่าเขาเขาไปเลยให้เขาพื่ปฏิบัติจนกระทั่งได้บรรลุแลวจะออกประกาศสอนอประชาชนก็ทีนี่เป็นประตามอทพยาศัยของท่านผู้ที่มีอำนาจวาสนาหรือความรู้ความฉลาดลึกตื่นอย่างละเอียดมากน้อยเท่าไงท่านก็สั่งสอนประชาชนไปภูมไหนที่ท่านมาเกี่ยวข้อง มัทนาท่านไม่มีอย่างนั้นท่านเขาไม่เกี่ยวเช่นพระอัญญาโคนทัญญาไปอยู่ในอะไร ส, ะสัสถันอะไรมีช่างอุปธรรมปฐ า, างนู่นต้องสิบเอ็ดปีผ้าย่อมได้ด้วย ด, ด, ดินแดงคือไม่ไม่มีอะไรจะย้อมจำเป็นก็ย้อมผ้าด้วยดินแดงถึงเวาลาแล้วก็มาทูลลาพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานไปเลยอั น, นี้ปรากฏว่าได้สอนเฉพาะพระทุนน้นมัน คุณมันตนีบุตรพิ่งเป็นหลานชายอันนี้เป็นพระธรรมกถาถึกเอกครับคุณมันตนีบุตรนี้เป็นหลานชายของพระอนญจจโกนะเนี่ยปรากฏว่าสอนองค์เดียวเท่านั้นนั้นท่านไม่สนใจกับใครเลยนี่เป็นนัตตันยูคือพระสาวกองค์แรก ท, ที่ได้บรรลุธรรมองค์ที่ท่านมีอำนาจวัฒนาในทางในท่านก็เป็นไปต า, ามเรื่องของท่านเองเช่นภาษาดิบุตรพระโมคคันลา เป็นผู้เมีองหน้าวัสนามากมีความงู้ความฉลาดมากอย่างภาษารีบุตรการแนะนําสั่งสอนก็กว้างขวางทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่เหมาะสมดังนั้นด้วยความฉลาดในการสอนพระโมคคัลลาเป็นผู้ทรมนุษย์ตรงเด็กเป็นปในนิสัยวัสนาของท่านเลยลําดับหนึ่งหมาะมี่เมื่อถึงขั้นอรหัตตะพูมแล้วเป็นนิสัยวัสนาล้ ว, ลวนๆท่างนี้จะเด็กเข้าเกียร์ปนท่านจะอบรมสั่งสอนประชาชนคนเมืองมากน้อยเพียงไร มันเป็นไปาตามปฏิยาสายของท่านไม่มีกิเลสเขาเกลียวแฝงก็ไม่ทําให้เป็นบุบยบมันดอนท่านสอนท่านได้แล้วทํามาสอนคนอื่นในเบื้องต้นท่านจะสนใจต่อการอบรมสั่งสอนท่านอย่างเป็นที่ถุกผลทรมานการที่จะทรมานกิเลสมันก็ต้องเป็นการทรมานตัวอยู่โดยตรงถ้าไม่ทําอย่างนั้นกิเลสมันก็ไม่ยอมกิเลสมันก็ไม่ ไม่หมดไปการทรมานที่เละกับการทรมานตนในขนาดนั้นมันก็เรียกว่าเป็นอันเดียวกันก็ได้ไ ม, ไม่ไม่น่าจะผิดเพราะขณะที่ทุ่มเทกําลังเพื่อการลบรากับที่เละหรือเพื่อแก้ที่เละ น, นั้นมันก็ต้องใช้ความอุตสาหพยายามต้องได้รับความทุกข์มากน้อยเจ้าของต้องยอมรับไม่ยอมรับไม่ได้ีิดูบางองค์ท่านเดินจนกรมจนฝ่าเท้าแตกนั่นเห็นไหม ทั้งทั้งที่ฝ่าเท้านั้นไม่ใช่กิเลสแต่จําเป็นก็ต้องได้รับความกระทกกระเทือนไปด้วยถึงฝ่าเท้าแตกด้วยการรบกับกิเลสบางองค์ก็ตาแตากถ้าจะกขุบานตาแตกทั้งสองข้างเลยเพราะไม่นอนต้องเป็นเวลาสามเดือนฝึกทรมานอย่างเต็มที่จนตาทั้งสองข้างแตกแต่ใจสว่างเจ้าขึ้นมาแทนกันแทนที่ นึ่ถึงคราวที่จะต้องรับความทุกข์ลาบากเพราะการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้กิเละก็ต้องยอมรับกันเราจะไม่ยอมรับอย่างนี้มันเติมไปไม่ได้ต้องยอมรับพระพุทธเจ้าเขายอมรับพระสาวกทั้งหลายกว่าจะได้มาเป็นศาสนาของพวกเรายอมรับเรื่องความทุกข์ความลําบากในการฝึกฝนทรมานกิเละทั้งนั้นแหะเพราะกิเลสมันอยู่กับตัวฟันกิเละไม่ฟันเข้าไปถูกตัวด้วยกระทบกระเทือนกิเลสไม่กระทบกระเทือนตัวด้วยมันไม่ได้ต้องกมีการกระทบกระเทือนตัวเป็นธรรมดา ที่พวกเราก็เหมือนกันถ้า้จจิเละมันอยู่ห้องนู้นเรามาอยู่ห้องนี้แล้วขังจิตเละไว้ในห้องนู้นเรามาอยู่สบายในห้องนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเรายืนห้องไหนจิเละอยู่ห้องนั้นเราอยู่ที่ตรงไหนจิเละอยู่ที่ตรงนั้นการฝึกทรมานเราตรงไหนจิตเละก็เป็นการฝึกทรมานจิเละตรงนั้นและในขณะเดียวกันก็เป็นความทุกข์ทังในการฝุกผลจิเลสเช่นเดียวกันคือเราต้องได้ไดยอมรับความทุกข์ เช่นนั่งมากมันก็ทุกเดิน ม, มากก็ทุกนอนมากก็ทุกน้อยพิจารณากิเลสนะกําหนดภาวนามันทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นชื่อว่าประโยคพยายามที่ จ, แจะแก้กิเลสแล้วมันเป็นความทุกข์ด้วยกันแม้จะเป็นการอดนอนป่นอาหารมันเป็นเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่เพื่อ จ, แจะแก้กิเลสนี่ทุกก็ต้องยอมรับการขัดตกบกพร่องอะไรอะไรก็าตา ม, มนำไปสูความปืดเครืองในการในความเป็นอยู่ก็ยอมรับอะไรต้องยอมรับยอมรับ เมื่อเขีมทิศอันยิ่งใหญ่มุ่งต่อต่อทำเพื่อคือแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วอะไรเราต้องยอมรับกันทั้งนั้นไม่ยอมรับไม่ได้ที่เดยดมันอยู่กับเราเราไม่ยอมรับความความกข์กระเทือนความทุกข์ความลําบากเพราะการแก้ทีย ด, ดด้วยไม่ได้ต้องยอมรับทุกข์ก็ทุกยอมทุกลําบากก็ยอมขอให้ที่เด็ดมันค่อยหมดไปหมดไปเพราะที่เด็ดเป็นเครื่องก่อความภายในจิตใจพกบ่อนทาลาย ก็คือกิเลสนี่นหละอย่างภายนอกนะครับที่เราเห็นนั่นเนี่ยตัดไร้กันที่นั่นตัไร้กันที่นี่ออืเดินขบวนที่นั่นเดินขบวนที่นี่ก็คือพกบ่อนพวกทาลายทําลายบ้านเมืองทําลายที่นั่นทําลายที่นี่ทําลายหลายครั้งหลายผลเข้าไปมันก็แหลกไปเองนี่อี่เลสมันทําลายเรามันทําลายอยู่นั่นมันบ่อนตรงนั้นมันบ่อนตรงนี้แต่เราไม่ทราบว่ามันบ่อนทําลายเรางสิเราไปเข้าข้างมันเสียเนี่ยมันก็เลยตัวของเราก็เลยเป็น เรื่องความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่เห็นโทษตัวเองเลยนี่มันเป็นความลำบากนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาแยกแยกออกเจียิกรรมอันใดเป็นไปเพราะความก่อทุกข์ความลำบากแก่ตนให้ระมัดระวังว่าเกียติกรรมคือความคิดประเภทนั้นผิดพยายามแก้ไขโดยถูกทางเราก็จะมีความพัฒนาสุดใจหรือผู้เกี่ยวข้องก็มีความพัฒนาสุดใจเช่นเดียวกันมีนขึ้นอยู่กับอุบาแห่งการแก้กิเลสธรรมกิเลสเราจะคิดว่ามันอยู่ที่ไหน ก็คือความคิดความปรุงเนี่ยเป็นเครื่องมือของกิเลสโดยตรงกิเลสจริงๆแล้วมันฝังอยู่ที่ใจฝังอย่างจมมิตรไม่ทราบว่าใจคืออะไรกิเลสคืออะไรเพราะมันเป็นอันเดียวกันในขณะที่มันเป็นอันเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆกระเทือนใจก็กระเทือนกิเลสเมื่อได้แยกแยกกันไปโดยลํำดับลำดับเราถึงจะทราบว่ากิเลสเป็นชนิดใดเพราะอํานาจของปัญญาเป็นเครื่องทดสอบสติเป็นเครื่องตามรับทราบในวงงานนั้นๆปัญญาเป็นผู้ที่คลายพิจารณาให ทราบว่าผิดหรือถูกโดยทางเหตุทางผลแล้วก็แก้สำปะด้โดยลํำดับลหนัก น, นี่เราจะทราบว่าอันไหนเป็นเรื่องของเหตอันไหนเป็นเรื่องของธรรมค่อยทราบไปโดยลำหนักแต่เรื่องความทุกข์จะต้องได้รับเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นความเพียรขั้นต่าําขั้นกลางขั้นสูงขั้นละเอียดแค่ไหนเมื่อกิเลสยังมีอยู่ความทุกข์ในการฝึกผนท ร, ทรมานกิเลสมันก็ต้องมีแก่เราอยู่โดยตรงถึงจะมีก็าตาม ก็เช่นอย่งที่ว่ากรรมาฐานกรรมาฐานเมาานื่อสักครู่นี้ถึงงานใหญ่ต้องเป็นความทุกข์แต่คุณค่ามันอยู่ในความทุกข์มีนี่นคุณค่าอยู่ในความทุกข์ในการฝึกฝนธรมานกิเลสทั้งหลายที่มีภายในจิตงหลักมันก็มีเหมือนกันมันต้องมีความเข้มแข็งไม่เข้มแข็งไม่ได้การฉุด ก, การกจิตออกจากสิ่งโมหม่ออกจากสิ่งตกตกโสมมีเป็นของทำได้ยาก ท่า น, นจึงไม่ค่ออยากจะทํากันสู้นอนจมกับกิเลสไม่ได้เนี่มันก็เลยจําเป็นต้องนอนนอนจมนั้นนอนบ่นอย่าอืั้นก็ความทุกข์บ่นให้ทุกข์แต่ว่ามีทางที่จะแยกทุกข์จัดตัวได้บ่นกันไปจนกระทั่งวันตายก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรไมันมีแต่ความบ่นหรือบายทุกข์ออกด้วยความบน่บบมบนมันก็ไม่ถูกแต่ก็จําเป็นต้องระบายเนี่ยระบายทุกข์ออกาด้วยอาการนั้นด้วยอาการนี้ เข้าใจว่าจะเป็นทางถูกต้องเป็นทางระบายทุกเป็นทางที่จะให้มีความถูกบ้างมันก็ไม่มีเพราะไม่ใช่ทางแก้ทิเลตมันเป็นการเพิ่มพูนทิเลตขึ้นซะอีกถ้าเราคิดทางปัญญาแล้วมันก็มีทางปฏิบัติด้วยทางแก้ไขกันไปศา ส, สนาในครั้งกุฏกาลท่านสอนอย่างนี้สอนเข้าในวงจิตโดยเฉพาะเฉพาะใ้เรื่องที่จะราบาทางกายทางวาจานั้นเมื่อกิตได้รับการอบรมดีแล้วมันทราบเองอันไหนถูกอันไหนผิด พอสำคัญให้จิตเป็นผู้ได้รับทำคือเหตุผลเข้าสู่ดวงใจทุกสิ่งทุกอย่างแสดงออกจะเป็นไปโดยเหตุโดยผลก็เป็นความร่าบริงดีงามการากแก้แค่กิเลสั้งมีเหตุมีผลก็แก้กันใม่ตกต้องมีเหตุมีผลเป็นเครื่องแก้ไขกันกิเลสอ่านัำพี้ไหนก็มีกิเลส เ, เ, เราก็เข้าใจว่ากิเลสไปอยู่ในกคมภีมเสียนั่นเสียอันหนึ่ง อความโลภความโกรธความหลงกิเลสพันห้าปัญหาร้อยแปดอะไรทำหนองนี้เข้าใจว่ากิเลสมันอยู่ทําพียงเสียอ่านชื่อกิเลสได้มากๆเรียนได้ามากๆว่าตัวรู้ตัวหลักนักป่ากเสียเนี้ยมันผิดไปแล้วนั่นมันผิดกับเจตนาของธรรมเจตนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเพื่อแก้กิเลสนั่นมันเป็นความสั่งสมกิเลสโดยที่เราไม่รู้สึกตัวหนึ่งความสําคัญว่ากิเลสมันอยู่ ที่คำเพียงนะครประจําชื่อขีเดียรแล้วก็ว่าตัวรู้ตัวเข้าใจตัวฉลาดเสียเนี่ยทั้งๆที่ไม่ได้มาแตะต้องกีเลียรสักตัวเดียวพอให้มันหนังถลอกบ้างเลยกิเดียรยังเต็มหัวใจและมากยิ่งกว่าปกติที่ไม่ได้เรียนซะอีกนี่นี่มันผิดพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพื่อถูกตามความเป็นไปของธรรมหรือนโยบายของพระพุทธเจ้ากิเลียรตัวใดก็ตามที่เรียนชื่อเรียนรู้ชื่อมันอยู่ที่ตรงไหนก็ตามนั่นเป็นชื่อของมันกีเลียรมันอยู่ภายในใจ ความโลภชื่อมันอยู่ในคัมภีร์ตัวกิเลสอยู่ภายในใจความโกรธคัมภีร์ไม่ได้โกรธหัวใจคนมันโกรธต่างหากความรุ่มหลงคัมภี์ไม่ได้รุ่มหลงชื่อชื่อของกิเลสไม่ได้หลงไม่ไลุ่มหลงตัวกิเลสคืออยู่ภายในตัวของเราเองนี้เป็นตัวหลงต่างหากการแก้จึงต้องเข้ามาแก้ที่นี่แก่ที่อื่นไม่ถูกเนี่ยแก้โดยถูกหลักแล้วกิเลสมันจะค่อยเบาบางลงไปลงไปทวนดูเจ้าของเสมอ ดูภายนอกเขาทบทวนก็มาภายในเึงชื่อว่าเรียนทำเราจะดูออกไป น, อ, นอกดูไปเรื่อยๆจนลึกกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวอัดดูเข้ามาในตัวดูไปข้างนอกเทียบเทียนเหตุเทียบ เ, ย เ, เทยบเียงผลแล้วมันก็มีสัตว์มีส่วนที่จะลงกันได้จิตใจก็ปล่อยวางลงไปได้ก็สบายสบายมีวิธีเรียนวิธีปฏิบัติต่อพิเรนให้ปฏิบัติอย่างนี้วันหนึ่งเขาทบทวนมากๆทบทวนเรื่องของตัวเองพิจารณาเรื่องของตัวเองให้มากๆเพราะมันผิด เรื่องยุ่งเหยิงวุ่น ว, วายอยู่ภานใจตลอดเวลาที่เราเผลอสติแม้แต่เราไม่เผลอมันยังโผล่ออกมาได้บางทีมันออกมาต่อหน้าต่อตาแก้ไขมันไม่ได้ก็มีอันไหนที่มันสุดวิสัยก็ยอมไปก่อนอันไหนที่อยู่ในวิสัยก็ควรพยายามแก้ไขมันไปมีหลักการแก้ที่เลยจถ้าทุกข์ยากลาบากก็ตามเป็นงานของเราเพื่อรู้สิ่งที่ เป็นเสี้ยมหนามอยู่ภายในจิตใจออกได้จากที่เหลือทั้งหลายมันเป็นเสี้ยมเป็นหนามเท่านั้นแหละพยายามถอดถอนออกไปโดยลำหนับชีวิตจิตใจมันหมดไปทุกวันทุกวันนะเมื่อวานนี้ก็หมดไปแล้ววันนึ่งละวันนี้ก็หมดไปแล้ววันหนึ่งมันจะหมดไปเรื่อยหมดจนกระทั่งมันมีอะไรเหลือมันจะผ่านไปเรื่อยชีวิตทั้งขันร่างกายผ่านไปเรื่อยจนจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วก็เรียกคนตายเมื่อมันไม่เหลือติดตัวแล้วเรียกว่าคนตายด้วยกันทั้งนั้น คนก่อตายสัตว์มาตา ย, ตาตายไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวชาวบ้า mm. น, นจึงต้องรีบเล่งค้นคว้าก่อสร้างคุณงามความดีที่จะไม่สูญหายไปไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ติดแน่กอบใจท่านจาก่อสร้างวาสนาบารมีวาสนาคือทําเครื่องอยู่นั่นเองจะเป็นอะไรไปทําเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเ ค, เครื่องพึง่งพิงเครื่องส่งเสริมจิตใจเหมือนเด็กคนมีบ้านมีเรือน เป็นที่อยู่อาศัยมันก็สบายถ้าไม่มีก็ลําบากบ้านเมืองเขามีที่อยู่ที่อาศัยเราไม่มีเราไม่ใช่กระจ้ากระแต่ใช่สัตว์แม้แต่สัตว์เขามีวงมีรังมนุษย์เราไม่มีบ้านมีเรือนอยู่ได้หรอมันลาบากหิจิตใจไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลไม่มีที่พื่นที่อาศัยไม่มีที่เกาะที่เหนียวอยู่โดยลําพังตนเองมันก็มีแต่ความทุกรุมอยู่ตลอดเวลาเอหาความสุขความสบายไม่ได้ เมื่อมีธรรมแล้วพอมีความร่มเย็นเป็นสุดภายในจิตใจแต่เพราะย่างยิ่งให้สร้างกป็ปัญญาขึ้นให้มากแก้ที่เหลือในปัจจุบันนั่นแหละให้มันเห็นทัดๆแก้ไปได้มากน้อยมันก็รู้เองมันเต็มอยู่ในจุดนี้แหละมันวิ่งออกทางขันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเวทนาเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดแตเวทนาที่เหลือมันเกิดขึ้นด้วยทัศติไม่มีมเกิดความเดือดร้อนเสียใจเพราะทุกข์ที่นั่นเจ็บปวดที่นี่ ความเสียใจนั้นเกิดขึ้นเพราะความหลงอิริเาบถมันเกิดขึ้นตรงนี้ความทุกข์มันเพียงเกิดขึ้นมาได้เกิดความ โ, รโกรนกระวายภารกิจในใจว่าทุกข์เกิดขึ้นที่นั่นที่นี่กลัวทุกข์จะไม่หายกลัวตนจะตายบ้างเหล่านี้มิถึงแต่เรื่องส่งเสริมรจิตเด็กเพราะความง้อเขาของตอนเองไม่รู้สึกตัวเอาจะเป็นก็เป็นสิจะตายก็ตายสิเราเรียนความรู้เรียนเพื่ออะไรความรู้ก็ ค, ค, คือความรอบสิ่งเหล่านี้เองเป็นก็เป็นมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนมาถึงถึงบัดนี้ทราบจะชันแล้วตายทําไมจะไม่ทราบมันอยู่ใน อวัะว่าอันเดียวกันให้มันทราบเลนี่เรื่องความเป็นความตายเป็นเรื่องของท่าของขันเรื่องจะเรียนรู้ให้เรื่องความเป็นความตางตัวเองเป็นเรื่องหลักพิชาทางพุทธศาสนาเป็นเรื่องของปัญญารู้แล้วก็เจ้าของมไม่เสียท่าเสียทีไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นดับไปคือเวทนาทั้งหลายหรือร่างกายที่มันตากฎตัวนี้นแล้วมันสลายอยู่ลงไปจิตใจแล้วก็แน่นหนามันคงมีหลักเกณฑ์เป็นที่อยู่ที่อาศัยมีความมั่นคงใน จ, จิตใจไม่วุ่นวายไปกับท่าขันที่มันจะสลายนี่ เนี่ยกเิเลสมันแทรกขึ้นมาอย่างนี้ความทุกข์ที่นั่นความเจ็บปวดที่นี่แล้วก็จะเกิดความส้อพันขึ้นมากลัวจะไม่หายกลัวจะตายบ้างจะตายวันนั้นจะตายวันนี้อะไรถาหากคิดไปคิดเรื่องแหล่านี้มีแต่เรื่องที่จะขอความทุกข์ความลาบากให้จะจิตใจทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของดีไม่ใช่เป็นเรื่องแฉกกิเลสเป็นเครื่องส่งเสรรมกิเลสให้เราทราบไว้อืการแทรกกิเลสคือยังไงเกิดก็เกิดให้รู้เรื่องความเกิดเจ็บก็ให้ทราบมันเจ็บมันเรื่องของความเจ็บอันหนึ่งต่างหาก ความเจ็บเป็นหนึ่งต่างหากผู้รู้เจ็บเป็นหนึ่งต่างหากไงตายก็ให้ทราบมันตายอันไหนมันตายก็มันตายไปผู้ไม่ตายคือผู้รู้ก็ให้มันอยู่นงผู้รมมมมศรีรู้ไม่ตายไม่มีปัญหาเอามะตังอมะตังปรมาทเ่อิตนั่นเองีที่เลี่ดอยู่มันก็เป็นอมตะตังของมันที่เฉลือดสิ้นไปแล้วก็เป็นอมตะตังแต่เป็นอมตะตังที่ต่างกันเท่านั้นแหละอมตะตังอันหนึ่งอมตะตังทางวัตต์คือต้องหมุนต้องเดียนอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปอมตะตังอันหนึ่งไม่เกิดต่อไปอีกและไม่ตายมีเป็นอมตะตังของความมืดสุดแห่งใจ มีสองอย่างเราเรียนให้รู้อันไหที่จะมาเกี่ยวข้องมาทําลายจิตใจให้ทราบว่า น, นั้นคือค่าศึกให้รีบแก้ไขกันทันทีให้นั้นทราบนี่แหละ เ, เรียนเรียนธรรมคือเรียนเรื่องขันสําคัญที่สุดก็คือขันระหว่างขันกับจิตนี่มันกระตุกระเทือนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดือนเดื น, เดนนั่นนอนรุกทุกอิริยาบถ ท, ทั้งกระตุกกระเทือนอยู่เสมอถ้าเรามีสติปัญญาก็าจะเป็นหินรับอยู่เสมอและเรื่องความกระเทือนทั้งหมดนี้เป็นหินลับปัญญาคือเป็นเครื่องปลุกปัญญาให้ปัญญาได้ตื่ทนทนัทนทันกับเหตุการณ์ รู้รอบครอบคิดกับมันแล้วสิ่งเหนี้ก็ไม่ซึมชาเข้าไปพานก จ, จิตใจไม่ต่อยยับคิดเข้าไปพันกับใจใจก็ไม่เดือดรอดนะอ้อนและโกรธก็ไหวถึงว่าราจะตาก็ตาตาอย่างสุขโตเพราะความรู้รอบครอบแล้วแหน่มันก็เป็นอย่างนั้นเย็นธรรมเรย็นอย่างนี้แหละแก้กิเลส ก, ก็แก้กิเลสอย่างนี้เองกิเลสคือความสําคัญนั้นหมายต่างๆนี่แหละซึ่งเกิดขึ้นจากหิตดวงเดียวแก้ให้มันทันยิ่งเวลา จนตัวเขงจริงนี่เวทนามะมีมากมาสลายมันจะโหมตัวเข้ามาหมดนะแต่ให้เพิงทราบเวทนาอยากเข้าใจว่าเวทนาเป็นตนอันนี้เป็นหลักสําคัญมากพระพิจนามันเห็นความกิงของเวทนามันจะทุกข์มากมเนาะถึงไหนให้รู้เอาจิตกําหนดหยุดนั่นละ่ะให้รู้จิตนี้เป็นธรรมชาติที่รู้เวทนาเป็นสิ่งที่แสดงขึ้นเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมชาติของมันเองผู้ที่รู้ให้รู้ถ้ามันเกิดมันดับ มันจะตายก็ให้รู้ว่ามันตายอะไรมันตายก็ให้รู้สิ่งที่มันตายก็อยู่คือผู้รู้นี่ให้มันทันกันอยู่ทุกเวลาแล้วก็ไม่วิตกวิจารณ์การเป็นการตายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาถ้าเราทราบตามหลักธรรมโดยหลักธรรมชาติแล้วเราจะไม่ีปัญหากับเรื่องการเป็นการตายเลยถ้าที่เป็นปัญหาก็คือว่าตัวกิเลสทั้งหลายเป็นผู้สร้างปัญหาขึ้นม า, าสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วก็มาผูพันกิจใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เสมอทั้งๆที่ยังไม่ตายก็เดือดร้อนแล้วกลัวตายเนี่ย เวลาจะตายจริงมันก็ยิ่งเดือดร้อนอีกแล้วมันเกิดไม่เกิดประโยชน์อะไรความเดือดร้อนบางทีนี่กับความทุกข์ตายแล้วก็เสียท่าเสียทีเพราะความเดือดร้อนเป็นเหตุอีแล้วนั้นจึงต้องแก้ความเดือดร้อนด้วยความรู้ความเข้าใจในธาตุในขันในอญญาิยนะต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในกองสมมุติทั้งหมดเรา마าสายกองส ม, มุตินี้จะให้ส ม, มุตินี้เป็นตัวงเราได้อย่างไงนั่นก็ต้องเป็นเรื่องของเขาของเราอยู่นั่นแน่เอาธาตุก็เป็นธาตุขันเป็นขันจะว่าไง ดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟถ้ามันเป็นเรามันเป็นไม่ได้ถ้ามันตั้งอยู่ยืนถาวรอย่างที่ความคาดความหมายความสําคัญแห่งใจของเรามันเติมไปไม่ได้เพราะนี้เป็นหลักธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเคยเป็นมาตั้งเดิมเป็นอย่างนั้นผู้เรียนหลักวิชาทางธรรมะจริงต้องเรียนให้รู้ตามหลักธรรมชาติแล้วอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนของสิ่งเหล่านั้นต่างอันต่างจริงก็สบาสมัยไม่มีอะไรมาก่อขวเนี่ยชื่อว่าเรียนทำชื่อว่าแค่คิดเลย ปฏิบัติเพื่แก้กิเลสแก้อย่างนี้กิเลสอยู่ภายในจิตใจคือความกล่อมวมันเองด้วยแง่ต่างๆอันรี้ว่ากิเลสทำก็คือสติปัญญาพิจารณามันรู้เรื่องรู้ราวเขาถึงแบบนี้แล้ปล่อยวางกันไม่ตามสภาพของมันด้วยความรอบครอบแล้วถึงค่าวที่จำเป็นมันไม่เอาอะไรมาแสดงอ่ะมันเอาของจริงที่เคยมาแสดงนี่แหะทุกกระทุกตัวเก่านั้นเแี่ยที่เคยเป็นอยู่น้ำบัดนี้ยจะไปแสดงในเวลาสุดท้ายคือเวลาตายไม่เอาทุกมาจากไหนปัญญาก็ปัญญาอันนี้แหละที่เคยได้พิจารณานี่แหละรู้จริงจำ ทวามินของมันในทุกขเชตนาทั้งหลายเอาเรื่องความตายมันก็อันอันมันเกิดอย่างนี้แหละมันจะตายไม่ใช่อันอื่นอันใดเลยตายคือตัวที่มันรวมผสมเข้าเนี่ยเป็นก้อนคนก้อนสับเนี่ยมันจะสลายตัวจากก้อนนี้ลงไปแล้วก็ะธาบมันเนี่ยธาบมันจะทุกอย่างไม่จะต้องไปไม่ต้องไปแบ่งสรรทั้ส่วนกับเขาต่อยให้เขาลงตามสภาพของเขาเต็มร้อยเปอร์เซ็ของเขาเอาดินลงไปให้เต็มร้อยเปอร์ซนของดินน้ำให้ลงลงไปเต็มส่วนของน้ําไฟเป็นให้เป็นไฟลงไปเต็มส่วนของไฟของลม อา้าวถ้าขันอะไรมันตั้งขึ้นมันดับไปให้ตั้งขึ้นดับไปตามส่วนของมันเต็มส่วนของมันผู้รู้ให้รู้อยู่เต็มส่วนของตนเองเพื่อไม่ไม่ค้าเข้ า, ขากันแล้วมันก็ไม่มีอะไรมายุ่งเหยิงพุ่นวายกันมันไม่รบกันต่างอันต่างจริงก็ไม่รบไม่รบมันก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้ อ, อนสบายนี่แหละท่านเรียนทำเจ้าพิรราเรนแค่อย่างนี้แต่เราจะไปล่มจมไปไหนฟังธวัชชิตส่เรียนเพื่อรู้เพื่อฉลาด จะไปล่มจมที่ไหนความรู้ความฉลาดาไม่พาให้ล่มจมนอกจากความโง่ความเขา่าเท่านั้นพาให้ล่มจมได้การพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อความล่มจมเพื่อความปลดปลื้มตัวเองออกจากสิ่งรุมร้อนทั้งหลายนั่งเสียคือธาตุขันนี้มันเป็นความรุ่มร้อนอันหนึ่งของมันที่มันมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันถ้าจิตเข้าไปเกี่ยวข้องใจก็ร้อนไปด้วยคือจิตของเรานี่ร้อนไปด้วยถ้าจิตรู้ตามความจริงของมันแล้วแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งกองเพลิงคือทุกขเวทนาทั้งหลายมันก็ไม่ร้อนเพราะจิตไม่ร้อนจิตรู้ตามเป็นจร นี่คือการแก้กิเลสพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้แหะนี่หลักธรรมชาติในาการสอนศาสนาท่านสอนลงที่ตรงนี้ส่วนปริยาออกไปที่เป็นจริงก้านสาขานั้นเราก็ไม่ไม่ได้ปฏิเสธคือเป็นความจริงก็เดีวยวกันทั้งหมดแต่ขณะที่จะเอาตัวจริงตัวจางจริงแล้วให้ลงที่จิตนี้ไม่ลงที่อื่นคุณ ง, งามความดีทั้งหมดเราจะสร้างด้วยอะไรก็ตามด้วยการให้ทางก็ตามรักษาสนาก็ตามภาชนะที่จะรับคุณ ง, งามความดีทั้งหลายเหล่านี้ได้จะจิตแน่ลงที่จิตนี้หมดไม่ไปไหน จะจำได้ไม่ได้ก็ตามเถอะการทำบุญสุนทานต่างๆมากน้อยกี่ปีกี่เดือนกี่ครั้งกี่หนไม่จำเป็นจะต้องจำลงในที่จิตหมดลงในจิตนี้หมดจิตเป็นภูราบไว้ทั้งหมดแล้วควาดีเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตพ้นหพ้นจากโลกไปพ้นด้วยอนาจแห่งความดีเนี่ยหลักตัสราาส่วนใหญ่ท่านสอนบนที่นี่ นี่ไม่เสียเว ล, เวลาไม่ละมีพิธีดีตองอะไรเราอย่าไปเดินจมกมเป็นพิธีก็แล้วกันถ้าจะทําให้เป็นพิธีมันก็เป็นได้นั่งสามาธิก็สักแต่ว่านั่งสติสตังไม่มีเลยนั่งสัระ ง, งกงกงันแล้วหลับก็ก็อย่างนั้นนั่นแหละมันพิธีอะไรหรือพิธีบ้านนะวางเดินจงกรมก็เดินเดินไปนั้นให้ก็เดิ น, นเดินสติสตัสตงไม่ทราบไปอยู่ไหนอันนี้ก็เป็นพิธีอันหนึ่งกัน พอเดินนะวันนี้เราได้เดินอยกรมเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้นาทีดีใจดีใจกับลมกับแรงเป็นไม่เรื่องอะไรน่าหล่ำแต่พิธีไปเทีย่ยเดินอย่งกรมพอพิธีนั่งสมาธิพอนาพอเป็นพิธีอะไรเลยพอเป็นพิธีหุ่นที่เลียดนั่นไม่ใช่เจ้าพิธีนี่นะมันตัวเหยียบย่ำทำลายคนโดยตรงต้องแก้มลงที่ตรงนั้นแก้มที่ตรงนั้นอยู่ไหนมันก็เป็นความเพียร น, นั่งอยู่ก็เป็นความเพียรถ้ามีสติมีปัญญารักษาจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วเอียบททั้งสี่เป็นความเพียรกันทั้งนั้นเน่ย ให้มีความเพียรแบบนี้นะนี่แหละที่ว่าเดินตามหลักศาสนาเดินตามแนวทางของผู้แก้กิเลสแล้วก็คือเรียกว่าเดินทางประตำแนวทางของผู้ที่จะสิ้นกิเลสจะสิ้นในแบบนี้สิ้นในลักษณะนี้ไม่สิ้นแบบอื่นลักษณะอื่นพระพุทธเจ้าท่านสิ้นไปเพราะเหตุ น, นี้สาวกท่ทานสิ้นไปด้วยอุบายทีนี้ด้วยปฏิปทานนี้กิเลสมีประเภทเดียวกันการดเนิมแบบเดียวกันกิเลสจะต้องหลุดลอยไปโดยลาดับเช่นเดียวกันและทึงความพ้นทุกข์เช่นเดียวกัน จึงขอให้เป็นที่ลงใจในการปฏิบัติของตัวเองและขอยุติเพียงเท่านี้